คณะสงฆ์ควรตั้งทุนบำรุงระศาสนาคนทั้งหลายมาสอนกันว่าโลกก็อันหนึ่งธรรมะก็อันหนึ่งมันเข้ากันไม่ได้เพราะฉะนั้นศา ส, สนาพุทธเราจึงจริญล้าหลังเขาศา ส, สนาคริสไปที่ไหนเขามีโรงเรียนมีโบสถ์มีโรงพยาบาลเนี่ยเขาพร้อม ของเราเนี่ยมีแต่สอนให้ชาวบ้านเขาเสียสละเพื่อบำเพ็ญทานแต่ตัวเองรู้จักแต่กินกับเอาในฐา น, นะที่หลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อจะพูดไม่เกรงใจใครอย่างนี้แหละศา ส, สนาพุทธเข้ามาสู่เมืองไทย 2,241 ปีหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้ว300ปีศา ส, สนาพุทธเข้ามาเมืองไทย มานึกถึงสิ่งที่จะเป็นทุนรอนบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นสมบัติกลางเนี่ยไม่มีแม้แต่สตางค์เดียวจะทำอะไรนิดๆหน่อยๆมีแต่แบมือขอชาวบ้านแล้วเวลาเนี่ยชาวบ้านยิงยากยิงจนพระก็คิดสร้างวัดขึ้นมาอยู่ไม่หยุดหย่อนไม่รู้จะสร้างไปทำไมนักหนาศา ส, สนาพุทธ เข้ามาสู่เมืองไทย 2,241 ปีคณะสงฆ์ควรจะมีทุนบำรุงพระศาสนา 2,241 ล้านอันนี้เราไม่มีสักกต่างศา ส, สนาคริสต์เขาทำงานของเขาใหญ่โตกว้างขวางรัฐบาลไม่ให้งบเขาแม้แต่แก้เดียวมันเป็นทุนที่เขาเก็บสะสมไว้สำหรับศาสนาเขาโดยตรงมีทุนนิธิใหญ่โตมาโหราณ สมบัติของศาสนาคริสต์รวมสมบัติประเทศไทยขายแผ่นดินประเทศไทยและเอาเงินไปนับแข่งกับพวกศาสนาคริสต์อย่างสู้เขาไม่ได้ถ้าพระคุณเจ้าที่เป็นต้นวงมาแต่เบื้องต้นเนี่ยคิดสะสมทุนร้อนเอาไว้เข้าใจว่าเวลาเนี้ยรัฐบาลเป็นหนี้อเมริกาตั้งหลายแสนล้านเอาเงินของศาสนาเนี่ยไปใช้หนี้ก็ยังได้ พูดถึงว่าความศรัทธาของประชาชนเกี่ยวกับคณะสงฆ์และศาสนาเนี่ยไม่มีศาสนาใดจะเทียบเท่าศาสนาพุทธแต่เสียอย่างเดียวว่าผู้นำศาสนาพุทธใจแคบเห็นแก่ตัวไม่คิดเพื่อส่วนรวมอันเนี้ยข้อบกพร่องข้อย่อนของคนศาสนาพุทธอยู่ที่จุดนี้